แต่การการมาบวชด้วยการมาหาภาษศาสนานี้เราไม่ได้มาหาเกี่ยวกับเรื่องวัตถุต่างๆและหาอำนาจวาสนาในการจะเป็นผู้บริหารเป็นผู้ปกครองการเข้าหาภาษาสนาก็เพื่อ หาที่เพ่งทางใจหาทำแไม่ได้หาอะไรไม่ได้หาราบยุดสัมภสวสีไม่ได้หาความสุขทางตาหูจมูกร่างกายจากศาสนาศาสนานี้เป็นที่หามรรคผลวิพานษ์หาลี้ติ หาการหลุดพ้นจากการเวืนว่ายตาเกิดจากความทุกข์ทั้งหลาย่ยังนั้นเรื่องของอะไรที่ไม่เกี่ยวกับการเจริญก้าวหน้าในทางการศึกษาและการปฏิบัติพราะทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็อย่าไปให้ความสาคัญ รับรู้ไปก็พอเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงทางไม่หลงไม่หลงประเด็นประเด็นของพวกเราก็คือมาหาธรรมะมาหาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากความทุกต่างๆ เราต้องมุ่งไปที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเป้าหมายของพวกเราก็คือการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าทรงสอนอย่างไรทรงสอนอะไรแล้วนำเอาคำสอนนั้นไปปฏิบัติด้วยความวิรยิยะอุตสาห ด้วยฉันทะด้วยจิตตะไม่งังสาคือด้วยอิทธิบาสีเพราะอิทธิบาสีจะเป็นธรรมที่จะผลักดันให้การปฏิบัติเพื่อมั่งผลวิภานเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสำรเร็จรุ่รองขึ้นมาได้ถ้าไม่มีอิทธิบาสีแล้ว ก็จะไม่สามารถที่จะบรุถึงมรกผลนิผ่านได้นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสำคัญคือการศึกษาเช่นการฟังเทศความธรรมอยู่เรื่อยๆอย่างที่พวกเราทั้งหลายได้ลา มาทำกันเป็นประจำตลอดระยะเวลาเจ็ดถึงแปดปีที่ผ่านมาเพื่อมาเพื่อมาฟังพระธรรมำคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำออกไปเป็นเป็นแสงสว่างนำน า, ท า, นาทางไปสู่การเด่นคนคำสอนที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นคำสอนขั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก็คือพระประชิมโมว่าที่ทรงตัดสอนไว้ว่าสาขาญทั้งหลายเป็นของไม่แน่นอนมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายไปเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด อันนี้ท่าบบสรุปความสำคัญของของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าว่าอยู่ตรงนี้อยู่ที่ความไม่ประมาทจงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเกิดความไม่ประมาทก็คือไม่ผัดวันประกรันพรุ่ง ต้องรีบขนขวายทำภารกิจที่ควรจะต้องทำให้สาเร็จรุ่งร่องไปตอนที่เวลาจะหมดไปเหมือนกับเวลาเข้าเข้าห้องสอบทำข้อสอบจะมานั่งเล่นกันนั่งคุยกันไม่ได้ต้องรีบทำข้อสอบที่ได้รับมาให้ ตามเวลาที่ได uh ้กำหนดไว้ถ้ามัวไปนั่งคุยกันเลยเล่นกันเดี๋ยวพอหมดเวลาก็จะไม่ไม่ได้ทำข้อสอบให้ขรบิบยรุลคะแนนก็จะได้ไม่ครบผลก็จะไม่ได้ดังที่ปรารถนาพระพุทธเจ้าจึงสงสอนให้เจริญมรณานุสติอยู่เรื่อย สังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยมมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดานี่เรียกว่าการจเจริญมานะสุนตสติให้เราคิดเส ม, อ, เสมอว่าเกิดมาแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและจะแก่จะเจ็บจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรับประกันได้ทางที่ดีก็ขอให้เราคิดว่า เราอาจจะเจ็บจะตายในวันนี้หรือในวันพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะไม่ประมาทเพราะเรารู้ว่าเรามีเวลาเหลือน้อยถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องตายในวันนี้หรือในพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้เริ่มในเวลาสามสามเดือนต่อมาเราจะไม่มีกระจิกกระใจที่อยากจะไปทำอะไรต่างๆ อย่างที่เราเคยทำมาคือทำมาหากินหาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองหาลาบยลสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกมอือกายถ้าไปหาหมอเล่งหมอวินิจฉัยว่าเราเป็นโรคร้ายที่จะต้องตายภายในสามเดือนเราจะมีกระจิกกระใจที่จะไปแสวงหาลาบเลือดสรรเสริญ ทางตาหูจะมูเรื่องกายหรือไม่เราจะไม่อยากได้แล้วของพวกนี้เพราะเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นที่พึ่งของเราอย่างแท้จริงมันเป็นที่พึ่งของร่างกายแต่เมื่อร่างกายจะต้องหมดวาระหมดสภาพไปภายในสามเดือนเราก็จะมีจิตใจที่จะม่วมเข้าสู่ธรรมะเพียงอย่างเดียว ว่าเรารู้ว่าธรรมะเป็นที่พึ่งของใจไม่มีอะไรในเรื่องนี้ที่จะดับความทุกข์ใจได้นอกจากธรรมะคำสอนของพ่อพระเจ้าคนที่รู้ว่าจะต้องตายไปในเวลาสเดือน6เดือนนี้มักจะมีฉันทะวิริยะจิตตะนิมมรสากับการทำดุกับการสร้างดุสร้างกุศล เพราะว่าเป็นสิ่งเดียวที่เขาสามารถที่จะยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งได้ทั้งในขณะที่ยังไม่ตายและหลังจากที่ตายไปแล้วดังนั้นขอให้เราคิดถึงเรื่องของความตายอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวขอให้มันคิดว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัว วความตายมันมาได้หลายรูปแบบด้วยกันมันไ่ามันไม่ได้มาด้วยความแก่ความชราไม่ได้มาด้วยโรคภัยไข้เจ็บมันก็มาจากอุปัตติภัยต่างๆได้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เกิดฉันทะวิริยะจิตตะ ม, มังสาที่จะศึกษาที่จะปฏิบัต ว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างขมักคําแม่นอย่างเต็นที่ใจของเราก็จะศึกษาปฏิบัติดินจนคงนั่งสมาธิสมบัติเข้าของเัินทองที่มีอยู่ว่าน้อยเพียงไรก็จัดการให้เรียบร้อยเอาไว้เพียงเท่าที่จำเป็นแล้วก็มุ่นเข้าสื่อ สถานที่ปฏิบัติเพื่อรักษาศีลงแปดสิ่งสิสรย2ีตามำลำดับตามฐานะตามสถานภาพแล้วก็ทุ่มเทเวลาให้กับการ เ, าเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติแล้วก็นั่งสมาธิทำใจให้รวมเป็นเอกเป็นเอกตาวม ทำให้ฝึกทำสมาธิให้ช้านานให้มีความหนาแน่น ม, มั่นคงจนสามารถที่จะเข้าสมาธิได้เวลาไหนก็ได้หลังจากนั้นเวลาออกจากสมาธิก็ให้จเจริยปัญญาต่อไปให้พิจารณาสภาพความไม่แน่นอน อนิจจังความทุกข์ความไม่มีตัวตนของสภาวธรรมทั้งหลายตั้งแต่สมาธรทมภายนอกเช่นราดโนตสราเสนรูปเสียงกิน่นรสพภชภะแล้วก็เข้ามาสู่ร่างกายเวทนาสัญญาสังขานญยา แล้ก็เข้าไปสือภายในจิตเพราะสถานที่หล่างนี้เรืยอสิ่งหล่านี้เป็นเหมือนสนามสอบของการปฏิบัติผู้ปฏิบัติจะต้องผ่านสนามสอบอย่านี้ให้ไดคือปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆแบ่านี้ เริ่ตอนก็ร่างนึสเสมอเสิญและสุดทางตามหูจมูกท้งกายแล้วก็เข้ามาสู่ร่างกายเข้ามาสู่เวทนาความเจ็บความปวดของร่างกายเวทนาสัญญาสังขารมิอย่ญญางแล้วก็เข้าไปสู่ภายในจิตในทามอารมณ์ต่างๆให้ปล่อยวาง สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดให้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่อยู่ในอยู่ภายใต้การควบคควบคุมบังคับสั่งการของเราต้องมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เขาเกิดแล้วก็ทำให้เขาดับนะไป ถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้เป็นอย่างนั parece. ้นเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดความทุกจ่ายขึ้นมาความอยากคือสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์อยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นอยากไม่ให้เป็นอย่างนี้อยากเสพอยากสัมผัส อยากยบเสียงเกี่นโนกปุถุพะชนิดต่างๆต้องต้องไม่ให้มีความอยากเหล่า น, นี้เกิดขึ้นภายในใจถ้าเห็นด้วยเห็นความจริงว่าเป็นอนิจจาเขาจะต้องเกิดไปแล้วก็ไม่อยู่ภายใต้อนานาจของเราที่จะไปบังกลับให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราไนดะ้เราก็จะไม่อยากว่าอยากไปก็ เป็นโทษกกว่าอเป็นคุณเป็นโทษเพราะทำให้จิตใจทุกข์แล้วคุณก็ไม่มีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดดับ <c oughs> เกินดับมาแล้วไปไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจได้อย่างไดนี่คือการปฏิบัติเพื่อการหยุดทนจาก ความทุกข์ทั้งหลายต้องเกิดจากการทำทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการภาวนาสมถภาวนาและมิปัสนาภาวนาด้วยอิทธิบาทสีด้วยวิริยะด้วยฉันทะจิตตวิลังสาฉันทะก็คือความพอใจ ความเย็ดีที่จะทําบุญรักษาศีลภาวนาวิทยะก็คือความภาคเพียนขยันที่จะทําบุญทําทานรักษาศีลภาวนาจิตตจิตใจก็จะจดจ่ออยู่กับเรื่องของการทําทานรักษาสีภาวนาวมิหนังสือไขครวน ก็จะาคาดเกนเกี่ยวกับเรื่องการทำดุญให้ทานรักษาสิ้นพยานี่คือยิติบาสีที่จะเป็นตัวผลังการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวเดเร็วและก็จะทำให้การปฏิบัตินี้ง่ายที่ยากก็เพราะไม่มีฉันท์ ไม่มีความมินีไม่มีวิริยะไม่มีความภาคเพียงไม่มีจิตตะใจไมนจดจอ่อใจโบแต่ไปจดจ่ออยู่กับเรื่องอื่นเรื่องว่ากยาคแสนแส น, สนเรื่องความสุขทางตาหูจมูกนิ่งกายไม่มีมิมางสาไม่ค่ายควรไปในทางธรรมกับค่ายควรไปในทางโลก ถ้าเป็นอย่างนี้การปฏิบัติก็จะหมือนกับเข็นเคาะขึ้นถูนเท้าเข็นขึ้นไปได้ไม่อนานก็หมดแรงเคาะก็ไหลลงไหลไหลลงมาทับคนเข็นมันจะมีเขามีความท้อแท้ไม่อยากที่จะศึกษาไม่อยากที่จะปฏิบัติสู้ไปหาความสุขทางต า, งางหูจมูกลิ้นใจกไ็ได้ เสื่ไปหาลานยกสรรเสริญไม่ไดนะ้นี่คือเหตุเพราะว่าไม่ได้จเจริญมรรยาตสตินั่นเองหรือแปลว่าเดี๋ยวจะตายแล้วพอจะมาจะเจริญเข้าจริงๆก็ตอนเวลาที่เกิดเหตุการณ์จริงๆซึ่งก็จะสายไปเสียแล้วเช่น เจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอหมอตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายมีเวลาอยู like that, ่ไม่เกินสามเดือนตอนนั้นจะแง่งยางไรจะทำยังไงก็มันก็ไม่ทันการเพราะไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนมัวแต่ไปสวงหาความสุข กับลาภยศเสรเสริกับรูปเสียงกลิก่นรสผลถภพเราจะต้องมาสวารคหาสาระที่เพื่องทางใจที่เกิดจากการทำบุญให้ทานรักษาศี่ลงลมเ พ, พนะินภาวนาติดไม่เมกไปอยู่วัดไปอยู่ที่ห่างไกลจากลาภยศเสรเสรห่างไกลจาก ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะรู้สึกทุกข์ทรมานใจก็โดนทุกทั้งสองทางไม่ปฏิบัติก็ทุกข์ปฏิบัติก็ทุกข์เกินไม่เข้าข่ายไม่ออกแต่ถ้าเราบ่นใจเลยวานานรสติเสียตั้งแต่แบบนี้เราก็จะ มีเวลามากพอ ท, ที่จะปรับปรับใจปรับตัวเราให้เข้าสู่ทางของการปฏิบัติได้ด้วยการทำไปตามลำดับตามกำลังถ้าปัญญาโมนาะสติอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้เรา ไม่ลืมหน้าที่ที่แท้จริงของเราก็คือการทาประโยชน์ให้กับตนประโยชน์ของตนก็คือการดุจพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายถ้าเราจะิญวรณะมิสติสเรื่องเราก็จะได้รู้ว่างานที่แท้จริงของเราก็คืองานดับทุกนี้เอง ดับทุกทางใจงานดับทุกทางกายก็ทาไปตามความจำเป็นเช่นเวลาร่างกายหิวก็หาอาหารมารับประทานอยู่น้ำก็หาน้ำมันดื่มเจ็บ้ายได้ด้วยก็หายามารักษาหาที่อยู่อาศัยไว้หลบภัยต่างๆ หาเสื้อผ้ามาสวมใสเพื่อป้องกันรักษาไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือการนับทุกทางร่างกายซึ่งทำได้ไม่ไม่ยากเย็นแต่อย่างไรและไม่ต้องใช้เวลามากถ้าเราหายามีเหตุมีผลคือหามาเท่าที่จำเป็น ไม่ได้หามาด้วยความหวงคือต้องหาของที่มีราคาแพงๆมาดูแลรักษาร่างกายถ้าคิดอย่างนี้ก็จะต้องเสียเวลามา ก, กับการหาปัจจัยสี่ที่มีราคาแพงๆมาดูแลรักษาร่างกายก็จะทําให้ไม่มีเวลาที่จะมา สร้างสาระทำใจแต่ถ้าเราหาปัจจัยสี่แบบสมารถะเรียกได้คือพอมีพอกินพ อ, อยู่ก็ใช้ได้แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาว่าง ก, กับการหาปัจจัยสีให้กับร่างกายเราก็จะมีเวลาที่จะมาสร้างสาระ ให้กับให้กับจมาทำประโยชน์ให้กับตัวเราเองก็คือมาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลมาเจริญสติสมาธิปัญญาเพื่อทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี่คือประโยชน์ที่เราิวรจะทาก่อน คือประโยชน์ขอ ง, งก่อนที่จะไปทำาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปเราต้องทำประโยชน์ให้กับเราให้ได้ก่อนเมื่อเราทำประโยชน์ของเราได้เสร็จแล้วเราค่อยไปทำาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงได้ทรงธรรมาในเรื่องต้นพระองค์ก็ส่งทุ่มเทเวลาต่อการศึกษาปฏิบาททาัติธรรม จนได้ก็รู้เป็นพระอาหารหันตสมาสามพุทธเจ้าหลังจากนั้นพรอเจอได้กลับไปโปรดสัตว์โลกผู้ใดที่มีความศรัท ธ, ธามีความสนใจพระองค์ก็จะทรงสอนเพื่อให้เขาได้รู้จักวิธีที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย นี่เป็นประโยชน์ที่สองคือประโยชน์ของผู้อื่นประโยชน์แรกก็คือประโยชน์ของตนตรงยังประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิถ้าเรายังไม่ได้ทำประโยชน์ของเราแล้วเรามู่งแต่ไปทาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นประโยชน์ที่เราทำให้แก่ผู้อื่นก็เป็นประโยชน์ที่ไม่ยิ่งใหญ่ เพราะเรายัางไม่สามารถทำประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราไนดะ้เราจะไปทำประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างไรเมื่อตอนเราต้องทำประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราก่อนคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเียนว่าตายเกิดหลังจากนั้นนะ้เราเค่อยไปทำประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้อื่นต่อไป ถ้าเรายังไม่หลุดพ้นสิ่งที่เราจะทำประโยชน์ได้ก็เป็นประโยชน์ที่เล็กๆน้อยๆเช่นช่วยเหลือทางทางร่างกายช่วยเหลือทางด้านเงินทองช่วยเหลือดูแ ล, ลรักษาร่างกายของผู้อื่นช่วยเหลือให้ผู้อื่นไม่ออยากขาดแคลแต่มันก็เป็นเพียงการช่วยเหลือทางร่างกายที่ไม่ใช่เการ สิ่งที่สําคัญสิ่งที่สําคัญก็คือจิตใจการจะช่วยเหลือจิตใจของผู้อ่นด้นั้นเราจําเป็นจะต้องมีธรรมะพอธรรมะเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของจิตใจถ้าเรายังไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งของจิตใจของเราเราจะไปเอาธรรมะให้เป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้อย่างไร ถึงแม้ว่าเราอาจจะได้ศึกษาธรรมะมาบากและเราอาจจะคิดว่าธรรมะที่เราได้ศึกษามานี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมันก็เป็นเพียงประโยชน์ในระดับหนึ่งเท่านั้นคือเป็นเหมือนแผนที่เป็นต้ายบอกทางแต่จะไม่สามารถที่จะทำให้เขานันหยุดพ้น จากความทุกข์ได้ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะทําให้เราเองหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะการปฏิบัตินี้ถึงแม้ว่าจะมีป้ายบอกทางมันก็ต้องปฏิบัติมันถึงจะรู้จริงเห็นจริงการรู้ป้ายเฉยๆนี้ยังไม่ได้เป็นการรู้จริงเห็นจริงการศึกษาการอ่านหนังสือธรรมะการฟังเทศน์ฟังธรรม อย่างไม่ใเป็นการรู้จริงเห็นจริงคือรู้ธรรมะรู้อริยสัจสี่รู้ทุกข์สมุทัยยน่งรอดมากต้องปฏิบัติถึงจะรู้จริงเห็นจริงได้เห็นทุกข์แล้วก็จะเห็นสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์เห็นยิ่รอดคือความดับทุกข์เห็นมากคือวิธี ที่จะทำให้ความทุกข์หยับไปต้องเห็นจากการปฏิบัติเท่านั้นถึงจะเป็นการที่เห็นจริงเพราะจะเห็นในขณะที่ใจเกิดความทุกข์แล้วก็เห็นในขณะที่มีวรรคคือธรรมะมาดับความทุกข์แล้วก็จะเห็นความทุกข์ที่ถูกมรรคนี้มา มามามาถลอลายดับไปเหลือแต่ความไม่มีความทุกข์อยู่ในใจอันนี้ต้องเห็นด้วยการปฏิบัติถ้าเห็นจากการปฏิบัติแล้วก็จะสามารถสอนผู้อื่นได้อย่างเต็มปากเต็มคำหรือถ้าผู้อื่นปฏิบัติไปแล้วเกิดความสงสัยก็สามารถตอบคำถามได้อย่างแน่นยั นคือเรื่องของของการเข้าหาธรรมะเข้าหาพระาศาสนาเข้าหาประโยชน์เข้าหาที่พึ่งของจิตใจบำมบนจเจริญวาลนุสติอยู่เรื่อยๆอย่างที่พระเจ้าทรงสอนพระองค์ว่าให้นำาลกถึงความตายอยู่ทุบลมหายใจข้อ ก็หมายถึงว่าอยู่เรื่อยๆไม่ให้เจอะไม่ให้เลินทำอะไรก็ให้นึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆจะได้ถามตัวเราเองว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังทําประโยชน์ของตนคือการหลุดพ้นจากความทุกข์หรือว่าเรากําลังทําประโยชน์อย่างอื่นถ้าเราไม่ทําประโยชน์กับการ เพื่อการหยุดท้นจากความทุกข์เราจะได้รีบกลับมาทางเสียเพราะประโยชน์อย่างอื่นทำไปก็ทําทำนั้นท่างกายแล้วก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราอย่างแท้จริงเป็นประโยชน์กับร่าง ก, กายเช่นการหารากลดสารเสริอมอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับร่าง ก, กาย้ะหาโดยโดยประมาณถ้าหามากเกินไปก็จะเป็น ประโยชน์ของตหัหาของเกลีที่จะมาเหยียบย่งทำลายจิตใจให้มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปอีกดังนั้นเราต้องพยายามหวนนึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆแล้วก็ถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าขณะนี้เรากำลังทำประโยชน์ของตนหรือไม่เรากำลังทำทานกันหรือเปล่า กำลังรักษาศีลกันหรือเปล่ากำลังภาวนากันหรือเปล่ากำลังเจริญสติอยู่หรือเปล่าหรือว่าปล่อยให้ใจเราลอยไปลอยมาแม้ได้อยู่กับกรรมฐานคืออารมณ์ถูกใจไว้เช่นการบริกรรมพุทโธหรือการเจริญมรนาสติหรือการเจนนริญ ก, กายคตาสติก็คือ มีสติเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกอิริยาบุตในทุกการงานที่กําลังกระทําอยู่ห mm hmm. รือว่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปลืย่ยร่างกายอยู่ตรงนี้แต่ใจไปอยู่ถึงที่อดีตบ้างอยู่ที่อนาคตบ้างอ ย, อยู่ที่นู่นอยู่ที่นั่นแต่ไม่ได้อยู่ที่นี่ ถ้าใจไม่มีสติแล้วก็จะไม่สามารถจะรันทำที่สำคัญคือสมาธิและปัญญาได้ถ้าไม่มีสมาธิและไม่มีปัญญาวิมุติคือการอดท น, นก็จะไม่เกิดขึ้นมาได้เพราะไม่มีปัจจัยเหมือนกับตูกต้นไม้เราไม่รดน้ำไม่ทวรยิน มันคอยกงจัดวัชพืชต่างๆที่มาคอยทําลายต้นไม้ที่เราปลูกอยู่ปูกไปยังไงต้นไม้ก็จะไม่มีวันเจริญเติบโตขึ้นมาได้คนใดถ้าเราไม่หมันเจริญสติไม่หมันนั่งสมาธิไม่หมันเจริญปัญญาตามลํำดับวิมุติก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา นักพี่ผ่านก็จะไม่ปรากฏนมาเวลาก็จะสูญปล่าไป ย, ยังไม่ได้อะไรยงขอให้เราพยายามเจริญวานินา้สติอยู่เรื่อยเพื่อเราจะได้มีฉันทะวิริยะกิตติมังสาที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติาทานศีลปาญนา เพื่อที่เราจะได้หลุดพน้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพน้นจากการที่ต้องกลับมาเรียนไหวตายเกิดอันนี้เป็นภารกิจของเราเป็นหน้าที่ของเราไม่มีใครที่จะทำหน้าที่นี้แทนเราได้อันนั้นก็ขอฝากเรื่องของการจะเลมานานุสตินี้ ให้ทำได้นำเอาไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อระโยน์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็สมควรแต่เวลาขอพักไว้ตรง น, นี้ก่อนต่อไปถ้าเป็นวันนักขัตธรรมเช่นวั น, นวิสาขะวันมาคะวันสาระหักวนนั้นจะขอวนรับแขกช่วงบ่อย ถ่าดีครับที่านท่านเหนื่อยก็ได้พักหน่แบบอยแการอะไถือโลกาวพูดสี่ตาลงไปกาเป็นวันราคะวันวิสาขะวันละซาลหะช่วงบ่ายก็ไม่ต้องมาถ้าจะมาว่ามาช่วงเช้าได้ที่ศาลาใส่มาตอนเชา้าพอกว่าจะเสร็จาระฤกษ์ก็เกิดเที่ยงเที่ยงก็ต้องลงปฏิโลปต่อ ออกจากประตู น, นูก็ต้องขึ้นมารัอกแขกตอนสั่งลมก็กยังไม่มีเวลาหายใจก็ <c oughs> เลยต้องขอขออนุกแขกช่วงบ่ายในวันนู้นวันมะขะวันวิสาขะและ ว, วันลาซาลามาชาไปนั้นก็จะบอกเจาก้าที่ที่เฝ้าประตูไว้เรื่อพักหน่ยอยเพราะตอนตอนค่ำก็ต้องลงไปทำวัดข้ำแล้วก็ไป จะทำพิธีเวเียน เ, เ, เ, เทยียนต้องขอแค่สงเสริมกับสังขารนะมามาพีจ่จย์ครับเออเวลาที่ที่เกิดม่มิบหรือเกิดอะไรต่างๆที่เห็นเรื่อกข้าวานีบางทีการบางังคับตรงนั้ น, นไม่ให้ตามมันออกไปนะมันค่อนข้างยากมันจะคือบางทีมันมีความรู้สึกเลย อยากเห็นอยากตามไปดูตรงนี้จัิงจริงมครูบาอาจายก็ภาวนาต่อไปไม่ใ้ไปมองมันหรอกค่ะเราอย่าเบื่ภาวนาเราพูดีพิถัต่อไปดูลงต่อไปก็เป็นเหมือนกับอะไรที่มามาผ่านทางทางแค่เรานั่งภาวนาไปแล้วมีเสียงโทรศัพท์อยงนีเสียงคนทั้งเสียงคนนี้เราก็อย่าไปสนใจล้วก็ภาวนาเงต่อไป พอข้างในปรากฏมีแสงมีมงกมีอะไรให้เห็นก็เอยากไปสนใจแล้วก็พอนาต่อดไปเดี๋ยวมันก็หายไปเองถ้าเราไม่ไปสนใจมันเดียวแล้วก็หายไปเองมันเป็นผลที่ปอยได้ที่เกิดจากการภาวนาแต่ตรงนี้ก็เป็นเป็นธรรมใช่ไหมคะตรงนี้สิ่งที่จะเรียกเป็นธรรมไหมคะเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมแต่ไม่ใช่เป็นมรรผลวิภาร ไ ม, ไม่ได้เป็นธรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเจริญปัญญาธรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเจริญปัญญาก็คือความว่างเปล่ารูาเบคาศัากดิ้วรู้อันนี้เป็นประโยชน์เพราะว่าทําให้กิเลสตัณหาอ่อนกําลังเป็นการตัดกําลังของกิเลสตัณหานลงไป ตที่เราจะใช้ปัญญาฆ่ามันได้ี้เราต้องใช้สมาธิทุบศีสะมันให้เมื่อเมือนก่อนพอเมันอือนดล้พอออกจากสมาธิมามันมองเงยอยู่เราก็ใช้ปัญญาค่ามันได้แต่ถ้าเราไปมีไปเห็นนั่นเห็นนี่ที่เหลือปัญหามันจะไม่ได้ถูกตัดกำลัง มันยังสามารถทำงานได้พอเห็นก็เกิดความอยากขึ้นอยากจะเห็นอยากจะให้เห็นนานานถ้าชอบก็อยากจะหเห็นนานๆถ้าไม่ชอบก็อยากจะให้มันหายไปอันนี้ก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อการตัดกำลังของกิเลสตานานานัณหาแต่ถ้ามันนิ่งมันว่างกิเลสตัณห า, น า, นานทำงานไม่ได้ mm. ก็เหมือนกับเป็นการหลับนอน กำลังตัดกำลังของกิเลสลงไปถ้าออกจากสมาธิที่ที่ว่างที่สงบที่เป็นู่เบียกาน้จิตจะมีกำลังมากกิเลสจะมีกำลังน้อยในทางตรงกันข้ามถ้าถ้ามีสมาธิแบบที่มีเรื่องราวต่างๆให้รู้เห็นเวลาออกจากสมาธิน้ะจิตจะไม่มีกำลังกิเลสก็จะมีกำลังมากกว่า ก็จะไม่สามารถใช้ปัญญาเพื่อที่จะมาตัดกิเลสได้คือเกตปัญญาเป็นเพียงผู้ชี้บอกว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่เป็นกิเสมาธิเป็นตัวหยุดเงินคือทำใจให้เป็นกลางไปดูเหตุกาเช่นเห็นเงินแล้วก็โลภอยากได้ปัญญาก็บอกว่าอยากไปโลภมันไม่เป็นโชคมากแต่เป็นสุข ถ้ามีสมาธิก็หยุดโลภได้ถ้าปัญญาบอกให้หยุดใจก็จะหยุดได้เพราะมีสมาธิถ้าใจไม่มีสมาธิที่ว่างที่สงบพอปัญญาบอกว่าอย่าไปโลภมันก็ไม่ฟังก็หย mm ุด hmm. ไม่ได้ต่ากนอางนั้ น, น, นการภาวนาเพื่อ mm hmm. เพื่อการตับกิเลส mm hmm. เพื่อการฆ่ากิเลสนี้จึงต้อง ต้องการสมาธิที่ว่างที่สงบที่ไม่มีลิลิตต่างๆมีแต่อบเยคาสักแต่ว่ารู้อยู่ได้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีก็ยิ่ ง, งนานกำลังของใจก็มีมากขึ้นกำลังของเกลียก็จะอ่อนลงไปความสงมบนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวตัดกำลังของเกลี ถ้าใจไม่สงบกิเดสก็จะทํางานได้คือถ้าในกรณีกํมลังสงบเนี่ยถ้าเนี่ยที่เราพุทโธนี่ถือว่าเราสงบหรือเปล่าถ้ายังต้องพุโทโธอยู่ก็ยังไม่สงบเต็มที่พุโทโธนี่ก็เรียกว่าเป็นวิตกวิจารเนี่ยจนกว่าพุโทโธจะหายไปเองจนกว่ามันจะลุกลงไปแล้วว่านิ่งแล้วมันพุโทโธก็จะหายไปเอง มันนะสงบจริงๆนี่มันเหมือนกับตกหลุมตกบ่อตกเหวแล้ก็สงบเย็นสบายเราไปเราไปแก้งเป็นอย่างนั้นไม่ได้มันต้องเป็นเองต้องอยู่กับการภาวนาอย่างเดียวเช่นดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธพุทโธ ควรจะทําอย่างได้อย่างหนึ่งจะดีกว่าถ้าจะเอาพุทโธก็เอาพุทโธไปอย่างเดียวเอาลมก็เอาลมไปอย่างเดียวเพราะบางเวลาถ้าเราต้องการบริการพุทโธให้เร็วขึ้นถ้าลงมันได้เร็วขึ้นเราก็ทำไม่ได้ถ้าเราใช้พุทโธคู่กับลมเราก็จะทําไม่ได้เพราะบางทีมีความคิดเข้ามาแทรกมาก เวลาพุทเข้าตัวออกนี่มัอาจะมีความคิดเข้ามาแทรกระหว่างทางถ้าเราไม่ต้องการให้มันแทรกเราก็ต้องบริกรรมพุโทโธให้ทันทีขึ้นถ้าเราใช้โลมควบคู่ ก, กับพุโทโธก็จะทําให้การบริกรรมพุโทโธให้เร็วขึ้นไม่ได้พเพราะลมโดยธรรมชาติของเขาเขาก็จะไม่เร็วเขาก็จะเป็นไปตามปกติของเขาดัางัถ้าเราต้องการใช้การบริกรรมเพื่อ ระงับความคิดปรุงแต่งก็ใช้บริการมไปอย่างเดียวให้อยู่กับคํำว่าพุทโธไปไม่ต้องไปอยู่ที่ลงถ้าถ้าไม่มีความคิดปรุงแต่งก็มาซ่าก็ดูลมไปอย่างเดียวก็ได้ดูเฉยๆไม่ต้องบริกรรมะไรหลวงพ่อดั้งดูดูหายใจเข้าหายใจออกที่ปลายจมูกก้าดูอย่างนั้นไปนเดี๋ยวมันก็จะสงบ มลมจะละเอียดเข้าไปเรื่อยๆจกกนกระรู้สึกว่าจะหายไปพอหายไปตอนนะั้นมันก็จะฟุ้งลมไปมันก็จะปล่อยวายลมเหมือนกับถอนเหมือนกับหายใจแล้วสุดท้ายแล้วลมก็หายไปใจก็เข้าสู่ความสงบ <c oughs> แล้ไม่ต้องไปกลัวเวลาดูลมแล้วคิดว่าไม่มีลมไม่สาสังเกต ดูไม่เห็นลมไม่รู้ว่าลมคิดว่าลมไม่หาไม่มีลมหายใจแล้วก็อย่าไปตกใจกลัวเพราะเวลาตกใจกลัวก็จะทําให้จิตถอนออกมาจิตอยาบขึ้นมาจิตเกิดการการปรุงแต่งขึ้นมาจิตก็จะไม่เข้าสู่ความสงบได้ตอนนั้นก็ให้รู้ว่าลมละเอียดลมเบาลมลมเบาลมอยู่แลวลงหมดไปก็รอดลมหมดไปก็ให้รู้ไปให้รู้อยู่กับรู้ก็ได้รู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมแล้ว แล้วเดี๋ยวมันก็จะวูบลงไปถ้าเราไม่ไปตกใจเล่าอาจาย้มัต่างกันตรงไหนที่เมื่อกี้ท่านจาบอกว่าที่เราแบจะเข้าสงบแล้วที่มันรูบลงไปนะฮะกับอันที่บอกลมหาใจมันมันก็จะหมดรืออะไรแบบนี้สองอันมันต่างกันยังงก็นำดูเลยนำดูท่าอาจารย์ก็พูพอมัน ออมันจะวูบแล้วมัน okay, ย hmm. um, yeah. so, well ั้งอยู Goodnight ่แล้วอะไรอ่ะนี่ก็เราไปยั้งมันเองไมพอเสร็จแล้วมันก็มันก็หายไปแล้วก็พอคือมันเหมือนมันมันไปยั้งมันเองอะค่ะไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเราดูเฉยๆเลยก็ได้ดูเฉยๆไม่าไปถ้าสมมุติว่ามันมันจะตกไปแล้วก็ดูลงต่อไปอย่างเงี้ยแล้วค่ะก็ดูเลยได้ดูดูก่อนดูก่อนมันจะสงบลมมันจะหายไปเอง เราไม่ต uh ้องไปทำอะไรดูเฉยๆอะไลูกไปดึงม okay. ันทุกทีเลยไม่รู้ทพระเรามีอุปทานติดอยู่กับลงนะไม่อยากให้ลมหมดเนาะไม่อยากเกอาการหมดลมหายใจก็เหมือนยาตานคือมันเหมือนพอมัน่งนีมันเหมือนรู้สึกตอกะ่ท่านอาจารย์ที่พอรู้สึกตอกแล้วก็เราก็ไปขืนไม่ให้มันตอก ไปคืนมันทำไมก็ปั่นมันตกไปมันจะเป็นยังไงก็ปั่นมันไปเราเพียดูมันไปได้ให้ดูเฉยๆมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันคือลูกยังยากไม่ได้เลยคทานอาจารย์ว่าการที่เหมือนกับพอเราตอกแล้วเราไปคือเหมือนเราไปยั้งมันนี่มันเป็นเหมือนเป็นเหมือนปฏิกิริยาหรือว่ามันคือ หือคือความตั้งใจอย่างเราลุกอเลยไม่รู้ว่าจะยังไงต่อจ้ค่ะอาจารย์คือมันเหมือนเราสะดุดแล้วเราก็ย่างก็ดูต่อไปดูลงต่อไปตอนนี้เราไม่ดูว่าดูถ้าไม่มีเราไม่ดูก็ดูกับความว่างไปดูว่างเลยว่างก็ว่างไปไม่ดูเราไม่ดูก็รู้ว่ามันไม่บอกให้ดูนะเราไม่ต้องทําอะไรตรงนั้นให้ดูเฉยๆ อย่ากไปมีปฏิกิริยาตัดสิ่งที่เราดูที่เราเห็นนะให้เป็นเบรกค่ะให้ดูเฉยๆที่จะ บ, บางครั้งมีความรู้สึกเหมือนกับพอจะว่าเวลาดึงเอาไว้บางทีเหมือนกับว่าเรากลั ว, พวเพราะว่าเราไม่เคยประสบมันแล้วอยากคิดว่าเราเรากลัวเราถึงถอนออกมาจะไปกลัวท <c oughs> ําไมแล้วก็ไม่ได้ยีอะไรไม่กลัว พยายามทําไปเรื่อยๆพยายามดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หายกลัวเองมันก็ใหม่ๆมันอาจจะกลัวก็ได้แต่ตอนเขาบอกไม่เรียนน่ากลัวการดูลงไม่เรียนน่ากลัวก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาดูลงเฉยๆจะกลัวอะไรที่เ่าจะบอกลูกไปเราสงบเนี่ย มันเรียกว่าติดรวมยังคะติดรวมแล้วตรวมแล้วเหระเมืนวุฒิเหมือนเหมือนกามันเบาบาใจสบายใจพักหนึ่อย่างนี้ไม่ตัวแล้วถ้าถ้าเน้งเดี๋ยวก็เดียกว่าคณิกะเนี่ยคเิกะคณิกะมันหนึ่งคณิกะสมาธิเดี๋ยวเดียวถ้าปัญหามันก็นาน นี่มันก็มไม่ถอนออมามันอยู่ได้เป็นหลายหลายนาทีก็แลกันห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีไปตามกำลังของสติที่เราได้ฝึกมาสติเรามีกําลังว่ามันก็จะอยู่ได้นานเพราะว่าจิตนี่มันจะมีสองฝ่ายต่อสู้กันสติเป็นฝ่ายผักให้มันเข้าข้างในกิเลสเป็นฝ่ายที่จะผลักให้มันออกมา ยีเร <esto, S 2> <Yeah. S 1> ียนจะหารูปเสียงกลื่นรดอยู่ตลอดเวลาเราถึงต้องใช้สติเป็นตัวดันมันจับเข้าไปข้างในแต่ถ้าตัวที่ดันมันมีกําลังน้อยมันก็ดันได้ครับเดียวมันก็ถูกเกลื่อนดันไม่ออกเลยถ้าสติมีกําลังมากมันก็จะดันเข้าไปได้ยึกและได้นานผมต้องบอกว่าต้องเจริญสติให้มากเพราะเราจะเจริญสติทั้งวันตั้งแต่ตื่นจน แต่เวลาที่เราไปนั่งสมาธิสติจะมีกำลังมากจิตมันก็จะสงบได้มากเวลาถ้าเกิดว่าไม่ควรจิตดังมกเท่าไหรมันต้องเป็นแบบมันุมันมันเหมือนกับหลบเข้าไปข้างในทังว่าหลบนะคอันนี้มันคือหาว่าถ้าเรขณะนั้นนงภาวนาแล้วรองลอยแต่ว่าฟองใมาเราเหมือนจะจิตเราก็กลับเข้าไปข้างในเงียบแล้วก็ภาวนา มันก็มีสติขึ้นอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันต่างกับคําว่าฟูกอย่างไรค่ะจิที่นิ่มันต่างกันก็ไม่รู้มันเป็นยังไงพราะเราไม่ไเป็นอย่างที่คุณือมันจะมันจะเป็นยังไงก็สร้างมันก็ขอให้มันนิ่งเป็นอุเบกขาแเราได้ถ้ามันไม่นิ่งมันไม่เป็นอุเบกขาก็ทําให้มันนิ่งให้มันเป็นอุเบกขานั่งต่อไป นั่งให้งานที่สุดเท่าที่จะนั่งได้นั่งได้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงว่ามันก็มีอุเบกขามากถ้าไม่มีอุเบกขามันจะนั่งไม่ได้นั่งจังแคแต่งที่เวลาที่มันลงไปลึกมากเนี่ยมันไม่รู้อะไรเลยเป็นเรื่องรู้สึกมันนานมากก็มีความรู้สึกมันจะขึ้นมาว่าพยายามจะคิดอะไรมันคิดไม่ออกเลยค่ะมันยังอยากอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรมันไม่ไมคิดก็ดีอยู่แล้วนี่<ม>ที่ภาวนาเพื่อแม่มันคิด วความคิดของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิเตเลยใช่ไหมพี่ก็อกย่ากมาพิจารณาไกลแต่มันไม่ยอมเนละยคือถ้าไม่ยอมก็ยังไม่ต้องพิจารณาก็ให้มันให้มันพร้อมที่จะพิจารณาก่อนนะครับพิจารณาถ้ามันยังสงบก็เดินจังโค้งไปเฉยๆสักแต่ว่ามไม่ไปไม่ต้องพิจารณาก็ได้เราทำประคองจิตให้มันอยู่ในความสงบให้อยู่ในความเล่งไปต่อก็ได้ กระบวนการจะเริ่คิดปรุงแต่คขึ้นาแล้วเราก็ค่อยเอาความคิดปรุงแต่งนั้นมาคิดในทางปริยาต่อไปการพิจารณาตอนนั้นก็เป็นการเตรียมตัวเป็นการทําการว่าเช่นพิจารณาถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยคิดถึงความตายคิดถึงการพัดพลาดจากบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆเพราะในขณะนั้นยังไม่เกิดเหตุการณ์เราก็ต้องเตรียมซ้อมเอาไวไก้ก่อน เนนักมวยที่จะต้องซ้อมโชคกับคู่ซ้อมให้ก่อนเพื่อที่จะได้มีมีความพร้อมที่จะขึ้นไปต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่แท้จริงบนเวทีต่อไปหรือถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเ ช, ช่นเกิดความทุกข์ขึ้นมาในขณะนั้นไม่ว่าด้วยสายเหตุอันใดก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาดับต้นเหตุของ ความทุกข์ยันให้ได้เพราะถ้าเราดับความทุกข์ดับต้นเหตุได้ความทุกข์ก็จะดับตามไปเช่นเราวิตกกั ง, งวลกับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ทําให้เราจิตใจเราว่าวุาวว่นขุนวัวขึ้นมาทั้งที่เราอยู่คนเดียวยแต่วัวไปกั ง, งวลกับเรื่องคนนั้นคนนี้นเราก็ต้องพิจารณาคน น, น, นั้นคนนี้ว่าเขาเป็นนัิจังทุกข์หรือานัตตา เราเห็นว่าเขาเป็นนิจกรของอนัตตาเราก็จะยุติวความเกลีได้ปล่อยวางเขาได้คือไปทำอะไรไม่ได้เขาเป็นอนัตตาเขาจะเป็นอย่างนั้นเราไปหยุดเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ปัญญาก็มีมีการใช้อยู่สองระดับใช้กับการแก้ความทุกข์ ที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือว่าเป็นการเตรียมเตรียมเครื่องม้าเครื่องมือไว้สําหรับหลบทุกในเวลาที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตถ้าไม่เตรียมไว้ก่อนเดี๋วเกิดเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็จะไม่สามารถที่จะใช้ปัญญาได้เพราะไม่มีปัญญาไม่ได้ทําการบ้างไว้ก่อน เช่นเรารักอะไรนะสิ่งที่เรารักเนี่ยเป็นตัวปัญหาเพราะถ้าเรารักอะไรเราก็ไม่อยากจะให้เขาจากเราไปแต่เราต้องรู้ว่าเขาเป็นนักบัญชางทุกข์ันว่านักตาต้างต้องคอยสนใจให้ปล่อยวางเขาให้ได้ก่อนที่เขาจะจากเราไปเพระถึงเวลาที่เขาจากเราไปเราจะได้ไม่ทุกข์นั่นเพราะเราปล่อยได้ปล่อยให้เขาไปได้เราไม่ได้อยากให้เขากลับมาหรืออยากให้เขาอยู่ต่อไป ถ้าไม่ค <c oughs> ิดไว้ล่วงหน้าก่อนไม่พิจารณาไว้ล่วงหน้าก่อนพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจะไม่รู้จะพิจารณาอย่างไรไม่รู้จะตรงอย่างไรไม่รู้จะวางอย่างไรเพราะมันมีตัวที่จะดึงเอาไว้คืออุปาทานมีกิเลสตัณหาความอยากอยากจะให้เขาอยู่ต่อไปอยากจะไม่ให้เขาจากออกไป ตัวนี้ที่เราจะต้องกำจัดให้ได้กำจัดก็ต้องกำจัดด้วยความจริงความจริงก็คือมาแล้วก็ต้องไปเกิดแล้วก็ต้องดับห้ามไม่ได้ห้ามก็ไม่ได้ถ้าไปอยากก็จะทุกข์อยากจะทุกข์หรือเปล่าอยากจะทุกข์ก็ไปห้ามห้ามก็ไม่เกิดประโยชน์อยู่ดีห้ามพ้นก็ัปอยู่ดีมมดทุกข์ใจไปเปล่าๆไม่เกิปดประโยชน์อะไร มีใครอยากจะทุกข์บ้างไม่มีใครอยากจะทุกข์พอเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากมันก็หยุดอยากไปเองเราไม่ได้พิจารณาปัญญาเพื่อยับยับย้งไม่ให้เขาแก่ไม่ให้เขาเจ็บไม่ให้เขาตายแต่เราพิจารณาเพื่อไม่ให้เราทุกข์กับความแก่กวามเจ็บความตายของเขาเราต้องเห็นความจริงต้องยอมรับความจริงเห็นอนิจจังความไม่เที่ยง ความเกิดแก่ทิพย์ตายความเจริญความเสือ่อมความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นอนิจจังอนัตตาก็คือไม่มีตายไปไปห้ามได้ทุกขก็คือความอยากที่จะไปห้ามเขาอยากที่จะให้เขาไม่เป็นอย่างอย่างนั้นมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเราเห็นทั้งสามส่วนเ้าเห็นอนิจจัเนนงเหนตาก็จะ ไม่มีปัญหาความอยากถ้าไม่เห็นห น, านา้ามจฉไม่เห็นหน้านตาก็จะมีความอยากถ้ามีความอยากก็จะมีความทุกข์ทุกข์กับเขาทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้อะนี้ต้องเห็นในขณะที่เกิดเหตุการณ์จริงๆทุกข์จริงๆในใจเครียดจริงๆกินไม่ได้นอนไม่หลับภาษาภาษาเกระอี้ก歪 อันนี้แหละเรียจะไม่เป็นเห็นธรรานิย asa ในขณะที่ที่ปฏิบัติตอนนี้ที่เราคุยกันนี้ใจเราไม่ได้เครียดไม่ได้ทุา ก, กับอะไรเราไม่เห็นอันนี้เป็นการเพียงแต่เป็ น, ปนการจินตนาการท่านนีน้ต้องอยู่ในเหตุการณ์จริงเพรนั้นสติปัญญาต้องหมุนเตี้ยอยู่เฉยไม่ได้ถ้าอยู่เฉยมันก็ หับความทุกข์ให้ได้ไม่ต้องพิจารณาดูให้เห็นอนิจจังให้ได้ให้เห็นอ น, นัตตาให้ได้ให้เห็นตัญหาให้ได้ปัญหามันมักจะไปสวนกับความจริงความอยากของเรามักจะอยากอยากอยากในสิ่งที่มันไม่เป็นเป็นไปไม่ได้เช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแต่ถ้าเร า, ย, ายันยืนยันว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย บาอย่างก็จะมันก็จะสลายตัวไปเองในเรื่องนิทานที่แม่ที่ลูกแม่ลูกที่ลูกตายไปตอนที่เป็นทาลกน้ mm ่ hmm. ก็อยากจะให้ลูกฟื้น mm hmm. ก็ไปหาพ้องพะเจ้า mm hmm. พระเจ้าก็าาบอกให้ไปหาว่าฤผัากรร ก็เป็นมิบายให้เขาได้ไปเห็นความจริงว yeah, yeah. yeah. mm ่าคามตายที hmm. mm ้ด hmm. mm ีท hmm. mm ุก hmm. ท mm ุกแห่ทุกคนอยู่กับทุกคนจะบอกตรงๆก็เป็นหนี้สัญญาบอกเขาเขาก็ไม่เชื่อบอกว่าทำงานนี้เธอก็ไม่ฟื้อหรอกเพราะความตานี้เป็นธรรมดาบอกไปก็ไม่เกิดประโยชน์แทนที่จะบอกนี้ท่านกับสร้างความหวังนั่นกับเขาด้วยการท่้นเข้าไปหาว่าเล็บผักกาดตามบ้านต่างๆนะ ้บ้านนั้นจะต้องมีญาติี่น้องที่ตายไปทุกบนมันต้องมีถ้าพ่อไม่ตายก็ปู่ย่าตายายพ่อแม่ไม่ตายก็ปู่ย่าตายายถ้าปู่ย่าตายายยังไม่ตายแล้วพ่อแม่ของปู่ย่าตายายก็ต้องตายมันต้องมีใครตายทุกคนนะมั <c oughs> ้ยเพราะงั้นเห็นความจริงด้วยตัวเขาเองนั่นเป็นการให้เขาได้เจริญปัญญาด้วยด้วยตัวเขาเอง ปัญญาจะต้องเกิดจากผู้ปฏิบัติเองการบอกกันสอนนี้ถ้าผู้ผู้ฟังไม่ได้มีมีความเห็นคล้อยตามมันก็ไม่เกิดตื่นแต่ถ้ามีความเห็นคล้อยตามได้ก็บรรลุได้ทช่นผู้ที่ฟังําแล้วจิตใจคล้อยตามเห็นเหนภาพเห็นความจริงหรืออาจจะเกิดประสบะการณ์ผ่านมาแล้วในอนดีตแล้วก็นึกถึงความทุกข์ที่เกิดจากประสบะการณ์นั้น แล้วก็มาคิดถึงปัญญาที่จะมาใช้เขาก็จะสามารถบรรุได้บรบรุธรได้พยายามศึกษาอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ให้มากๆถ้าถ้าได้สมาธิแล้วถ้ายังไม่ได้สมาธินี้ก็ยังไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่ พอหนึ่งจะไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สามารถพิจารณาได้อย่างต่อเนื่องสองจะไม่เห็นพรามันจะต้องเห็นสภาพที่เกิดขึ้นภายในใจถ้าจิตมีสมาธิแล้วเวลาเกิดความทุกข์นี่มันจะเห็นขึ้นมา อ, อย่างชัดเลยถ้าไม่มีสมาธิเวลาเกิดความทุกข์ก็ไม่ไม่เห็น จะไปเห็นว่าความทุกข์อยู่ที่ข้างนอกอยู่ที่คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็พยายามที่จะไปแก้ที่คนนั้นคนนี้แทนแทนที่จะเห็นว่าความทุกข์อยู่ในใจเราเห็นของความทุกข์ก็อยู่ภาในใจเราเรากลับไปเห็นที่ข้างนอกแทนเห็นว่าเขาเนี่ยเขาพูดอย่างนี้ทำอย่างนี้เป็นทําให้เราทุกข์เราจะไปเห็นเราก็จะไปแก้ที่เขาถ้าเราไม่ชอบเขาย้ายิเขาได้แล้วก็สั่งย้ายเลย ยทายายเขาไม่ได้กับย้ายเรายูถ้านนบอกพระพุทธเจ้าย้ายที่ดีกว่ายอยู่ตรงนี้เลยพระพุทธเจ้าบอกยาไปเดี๋ยวก็ไปเจอข้างนอกมันก็ไปเจออีกแกตรงนี้แหละยกตินใจเราทาใจให้ไปอยู่เบกขา ปัญหาอยู่ที่ใจปัญหาก็คือความทุกข์อยู่ที่ใจเหตุก็คือความอยากถ้าไม่มีความอยากเราจะไม่มีปัญหาจะไม่มีความทุกข์รัได้ทุกสภาพชมก็ได้ด่าก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้อยู่ก็ได้ตายก็ได้ มาแก้ปัญหาที่ใจนราด้วยการเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาต่อหน้านั้นก็ให้รักษาศีลด้วยกาทำอยู่ได้ทานอย่าไปนี้อย่าไ ป, ย, าไปยึดติดกับสมบัติข้าวของเงินทองท อ, อย่าไปอยากได้สมบัติข้าวของเงินทองท อ, อย่าไปหาความสุขจากสมบัติข้าวของเงินทองทอ เราจะไม่ทำให้ไม่มีเวลามารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมเนี่ยปีหนึ่งมีสาม้อยหสิห้าวันเนี่ยมาศึกษามารักษาศีลปฏิบัติธรรมกันสักกี่วัน ใ, ให้ดูเหตุว่าดูการดาเนินชีวิตของเราว่าเราเราดำเนินอย่างไรเรายังปฏิบัติน้อยมาก มีบางคนที่ไม่ได้มาก็เพราะเขาไปปฏิบัติกันนี่มาได้แต่เวลาไปก็ให้ออกจากที่นี่ไปให้กลับไปปฏิบัติไม่ได้ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ไปทำภารกิจอย่างอื่นก็ไปเดินจนคงนั่งสมาธิเกิดไปกลับไปรักษาสิมาได้เดือนละครั้ง ระหว่างที่ไม่ได้มาก็ปฏิบัติเต็มที่นี่ไ็ได้แต่วม่แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นออกออกจากนี่ไปเั็นขบวนลูกเสียงกินลูกต่อ็นมลงนี่มันก็เลยไม่ไม่กล้านะ ถ้าเราไม่ไม่จะเดินมาลุสติเราจะคิดว่าทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมเปล่ยนเหมือนเดิมเวลามันมันน้อยลงไปทุกวันเวลาที่เราจะเอามาใช้กับการปฏิบัติมันเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราจะเดินมาลุสติเรื่อยๆเราจะเราจะได้ปรับปรับการดําเนินชีวิตของเรา ใหเ้เข้าสู่ธรรมนองของธรรมเข้าสู่ธรรมะตอนนี้เรายังไม่ได้หันหน้าเข้าสู่ธรรมะกันอย่างอย่างเต็มที่หันเข้าบ้างบางเวลาบอ ง, งเวลาก็หันไปที่อื่นเสงความจริงวันนี้ธรรมะวันนี้ ท่านแสดงท่าฟังบ่คุณแม่ยนะังเป็นมะเร็งที่สมองเนาะจริงๆก็ตั้งใจจะมาค่ะวันนี้แล้วก็หมอนัดวันนี้ตันลามไปที่กระดูกแล้วแล้วก็คงเวลาเลยอีกไม่มากก็เลยเรีว่าวันนี้ท่านจะเทศมรรคสติให้จะช่วยได้ถ้านนถ้าเรา <c ười> ถ้าเรา เ, ราเลิอกอยู่เรื่ยๆแล้วแล้วรับกับความจริงได้เหมือนก็จะไม่ต่อต้านมืนก็จะไม่มีความอยาก ไม่ให้เขาตายวิธีที่เป็นกังวลก็คือแม่ไม่ใช่คนทําบุญเลยและไม่ใช่คนมาวัดเลยเขาไม่รูทําไมก็นอกจากทําใจแต่ว่าไม่อยากให้แม่ได้ทําก่อนจะทําไงได้เขาไม่กินข้าวจะเปลงข้าวเขากินเงเขาไม่กินก็ไม่กินบุญก็เหมือนข้าวเป็นข้าวของใจถ้าเขา กินเขาไปเขาก็ไปอย่างอิ่มไปอย่างสบายถ้าเขาไม่กินเขาก็าไปอย่างหิวก็เป็นเรื่องของนานาจิตตังเป็นเรื่องของบัวสีเหล่าอันนี้ไม่มีใครจะไปทำอะไรได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้ ก็ต้องเป็นไปตามดุตามกรรมที่เขาทำมาเราทำได้อย่างเดียวก็คือทำใจทำใจให้เป็นอุเบกขาเมื่อการตรงไปว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตรงตนจะทำกรรมันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ไปห่วงใยไปวิตกกังวลก็ไม <ım Laser> like ่เกิดไปโดยอะไรทำให้เราทุกใจไปเปล่าๆเป็นบอกว่าตอนที่มีเวลาทำกบรีทําลไม่ต้องไปกังวลของเรื่องคนอื่นเราแล้วนั่งกังวลเรายังต้องทาอีกบมากหน่อยไปกังวลกับเรื่องคนอื่นทำไมทําของเราให้มันเสร็จสับเรียบร้อยไปก่อน แล้วหลังจากนั้นจะไปช่วยใครก็ไม่เป็นปัญหาเลยช่วยได้ก็ช่วยช่วยเวลาก็ไม่ช่วยแต่จะไม่มีความกังวลจะไม่มีความวิตกก็จะไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ของผู้อื่นแต่ตอนนี้เราเดือดร้อนเพราะเรายังละยังตัดอุปทานไม่ได้ ยังหลงยังเห็นว่าเขาเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นอะไรอยู่เป็นอะไรกับเราอยู่พอมีอะไรเป็นของเรา mm hmm. เราก็เลยเกิดความยึดติดอยากจะให้เขาสุขอยากจะให้เขาจเจริญอยากจะให้เขาดีโดยที่ไม่มองความจริงคืออนิจจอนัตตาเลยถ้ามองที่อนิจจานัตตาอยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่มีความอยากให้เป็นอย่างนี้ เมื่อถึงเวลาเขาจะเจ็บก็เป็นเรื่องของของของเขาเมื่อถึงเวลาเขาจะตายก็เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคนเกิดขึ้นกับตัวเราเองด้วยไม่ใช่จะเกิดขึ้นกับเขาถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะรับกับความแก่ความเจ็บความตายของเขาแล้วเราจะมารับกับความแก่ความเจ็บความตายของเราเได้อย่างไรของเรายิ่งมันยิ่งเรายิ่งรักยิ่งสูงหวนยิ่งกา ผู้อื่นเางมันก็ควรที่จะเป็นคติเตือนใจเราว่าตอนนี้เราอ่อนปัญญามากเราขาดการศึกษาฐานการปฏิบัติมากเราถึงควรที่จะมาทุ่มเทกับการศึกษาปฏิบัติดีกว่าที่จะมัวไปกังวลกับคนอื่นเนคนอื่นแล้วก็ดูแลไปตามหน้าที่ของเรา ไปหาหมอหาอยาหาอาหารหาอะไรช่วยเขาไปท่าก็ทําทไม่ได้ต่านนั้นก็พอแล้วทําเต็นที่แล้วกลับมาทำประโยชน์ของเราก่อนรีบทําประโยชน์ของเราก่อนสร้างปัญญาให้เกิดให้มองเห็นอ น, นิจจังเห็นอนัตตาอยู่ตลอดเวลาเห็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเนี่คือดวงตาเห็นธรรมเห็นอ น, นิจจังทุกข์ขังอนัตตา แต่เห <here>, he. mm. ็นความจริงก er, ็จะไปผืดได้อย่างไรจะไปอยากไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้อย่างไรก็เหมือนกับรู้ว่าเอาคอนมาทุบศีรษะแล้วมีเจ็บเนี่ยถ้ามีใครจเอาคอนมาทุบศีรษะด้วยบ้างเห็นมความอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายนี่ก็เหมือนกับเอาคอนมาทุบศีรษะของเรานี่แหละพราะอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายแล้วก็จะทุกข์ทรมานใจขึ้นมา ก็อยากไปอยากเท่านั้นเองอยากเาค้อนมาทุกศีรษะก็ปล่อยมันเจ็บให้มันตายไปเราไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับมันเราไปทุกข์กับมันทำไมใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามของเขาเราก็ไม่เป็นของเราเราก็ไม่เป็นใจไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายมีแต่วันทุกข์กับวันไม่ทุกข์ท่านั้นเอง ทุกเพราะว่าไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ทุกเพราะว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนั้นถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องพยายามเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกเวลานาทีในการจะไปมองานามวัติก็คือการเห็นอนิจจังอุบายของพระพุทธเจ้าให้เราเห็นอนิจจังกันด้วยการระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆแล้ต่อไปก็จะเห็นอนักตาเห็นนะ เห็นเห็นทุกขัเห็นว่าโอ้ที่เราทุกข์ใจทรมาใจเพราะเราไม่ยอมไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับอนิจจังไม่เห็นอนัตตาที่เราไปห้ามของไม่ได้ห้ามความแก่ห้ามความเจ็บห้ามความตายไม่ได้ตอนนี้เห็นแล้วเห็นแล้วตอนนี้ไม่ทุกข์แล้วสบายใจแล้ว ใครจะแก่ใครจะเจ็บใครจะตายก็เชิญเลยไม่เป็นไรอันนี้ถึงเนื่องดพ้นจากความทุกข์ดูพ้นด้วยปัญญาต่ก่อนจะเข้าถึงปัญญาได้ก็ต้องผ่านสมาธิผ่านสติก่อนไล่่งั้นจะไม่มีเวลาที่จะมานั่งคิดทางนี้ได้กิเลสมันมีกำลังมากกว่า มันก็จะให้ไปคิดในทางนิจจางสุขขังหลับตายก็จะเกิดความอยากให้อยู่ไปนานๆาอยากให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ mm hmm. ก็จะทุกข์กับเรื่องของความแก่ความเึกความตายไปตลอดจนถึงวันตายเต้องเจริญสติให้มากควบคุมความคิดไว้หยุดความคิดให้ได้ก่อน ทำใจให้รวมสงบให้มีกําลังที่จะมาพิจารณาอนิจจังทุกของอังละตตาให้ได้ก่อนถ้าพิจารณาได้อย่างต่อเ น, นื่องทุกลมหายใจเข้ากิเลสมันจะไม่มีช่องที่จะเข้ามาแทรกได้ <M> เวลาใดที่เราไม่พิจารณาอนิจจังทุกของอังละตากิเลสมันก็จะมาพิจารณแาแทนเรามันก็จะพิจารณาพิจจังสุข ข, งของอังละตาเสมอ เห็นห้างก็ดีเห็นหน้างเหมนนีก็ดีให้ความสุขกับเราพอได้มาแล้วก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไป็นนานๆอยากจะให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการพอเขาไม่เป็นอย่างที่เราต้องการก็เสียใจทุกใจผิดหวังพอเขาเสื่อมไปเปลี่ยนไปแล้วก็ผิดหวังทุกข์ใจขึ้นมาพราเราไม่ ไ ม, ไม่เห็นความจริงไม่เห็นอนิจจังทุกขงังอนัตตา <C finite> ถูกการหลงโมหะหลอกให้เห็นว่าเป็นนิจจังสุขขงังอัตตาเที่เรามาพิจารณาก็เพื่อมาแก้ความหลงมาละลายมาทำลายความหลงที่หลอกให้เราเห็นว่าทุกอย่างเป็นนิจจังสุขขังอัตตาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตา ถเห็นก็จะปล่อยวางก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆถ้าไม่เห็นก็จะยึดติดก็จะเกิดตำหาความอยากเอเกิดความอยากก็จะเกิดความทุกข์ทางละวานาใจอันนี้ต้องปฏิบัติอย่างต่อนนเนื่องต้องถือว่างานปฏิบัติเป็นงานของเราไม่มีงาน อ, าอื่นเลยทําอะไรก็ทําควบคู่กับการปฏิบัติ เช่นมีสติอยู่กับการงานที่จำเป็นท่านนั้นสำหรับผู้ปฏิบัติก็คือการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายเจนาอาหารมารับประทานอันนาบน้ำอานทํทำความสะอาดที่อยู่อาศัยก็ทำด้วยสติไม่ให้คิดเรื่องนั้นตรองนี้พอไม่มีภารกิจเกี่ยวกับการดูแลรักษาร่างกายก็เดินจงกรนั่งสมาธิ ยังจงกอบก็เพื่อเจริญสตินั่นก็เพื่อให้จิตเป็นสมาธิตำอยงนี้ไปจนทั้งได้สมาธิคล่องแคล่วชํานาญในการเข้าออกสมาธิแล้วก็วค่อยออกทางปัญญาต่อไปทีนี้การเวลาออกจากสมาธิก็จะมีแต่เจริญปัญญาอย่างเดียวจะเจริญนิจจ์ทุกขังวละนักตาอย่างเดีดยว ในรที่ต้องให้ได้สมาธิก่อนจะพิจารณาทางปัญญานะคะนีถ้าสมาธิยังไม่ได้นะว่าปัญญาก็คือพูดง่ายๆาขั้นแรกเราต้องเน้นที่ทำสมาธิก่อนซึ่งบางทีถ้ามันไม่ได้กมัทำไปเรื่อยอาจจะเป็นหปีหีอะไรแบบี้ก็อกสมาธิก่อนก็เหมือนถ้ายังดืนถ้ายังยืนไม่ได้จะเปเดินได้อย่างไรก็ต้องยืนแน้แก่อนก็ทำสมาธิแค่ไดเยห้ปีหปีร้อปีพันปีก็ทำได้ แต่พาทำได้แล้วพอภาจนนนปัญญามันก็ไปได้เลหมปัญญวิเคีนี่ก็มีสมาธิมาแล้วแต่ไม่มีปัญญาพอได้ปัญญาป่ะมันก็ไปเลยเพราะะฉนั้นเราก็ต้องการนี้ก็คือพุ่งง่ายก็เน้นไปที่งงสมาธิก่อนทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เนี่ฟังมาตั้งนานเพื่อได้ข้อสรุปเลย <c oughs> มันอยากเกะกะไปตายไม่มีใครอยากจะนั่งสมาธิกันเพราะมันยากมันยากคิดว่าปัญญามันยังง่ายเร็วง่ายง่ายถ้าถ้าสมาธิมันยากปัญญามันยากกว่าต้องหลายเท่าอย่าเราไม่รู้ว่าเราคิดว่าที่เราคิดว่าเป็นปัญญาไม่ใช่เป็นปัญญามันเป็นมันเป็นสามขากรุงแต่โอ้ใช่ครับพี่นะไอ้เกิดแก่เจ็บตายไอ้มันง่ายดีง่ายแต่มันทาใจได้ก็ป่ะ มันต่างกันนั้นที่พิจารณาก็เพื่อให้ทำใจมันทำไม่ได้มันรู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายแต่มันรับไม่ได้แต่ถ้ามีสมาธิมันรับได้ทั้งชีวิต ไม่เดี๋ยว บ, บางคนนั่งสมาธิ5นาทีก็สงบเลยคุณแม่แก้วนั่งสมาธิแข็งแรงเรา <c oughs> พระพุทธเจ้าอยู่ตามลงพังไม่ต้องนั่งสมาธิจิตก็สงบนท่านทำมาต้องเป็นหมื่นชาติเลยท่านอาจารย์เนี่ยหมื่นชาตัเนี่ยท่านก็ <c oughs> ไม่ยากหรอกถ้ามีสติพยายามฝึกสติไว้ให้ให้มากสตินี้เป็นเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดสมาธิขึ้นถ้าไม่มีสตินอนนั่งไปร้อยชาติก็ไม่สำเร็จพระเจ้าบอกว่าสตินี้เป็นเหมือนรอยเทาา้าช้างยิ่งใหญ่กว่ารอยเท้าของจักรทั้งหมดสตินี้เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าธรรมทั้งหลายถึงแม้ว่าจะไม่เป็นตัวที่จะฆ่ากิเลสย่าก็ตาม แต่ทำที่ยะฆ่ากินเลยได้นั่นต้องอาศัยสติเป็นผู้ให้กำเนิดพอดีไปอ่านหนังสือของตาบอกไปนั่งที่ที่นั่งสมาธิได้นานๆเนี่ยแบบที่เขาเขาลูชาที่เข้ามินโรสมาบัตเลยใช่ไหมลูเป็นเพราะว่าท่านสติท่านดีมากสติท่านควบคุมความคิดได้อันนั้นนะฮะโอ้ด้าแรกเป็นเป็นวันเป็นไรเลยนะฮะถึงลม ไม่ยากเราไม่ทําเองอะ่ะแล้วไม่ฝึกสเตตตั้งแต่เตืมตัวหลับ เ, เนี่ยเาทำเรื่องนี้เตือนขึ้นมาก็วกควบคุมความดึงมดูไว้ให้อยู่กับร่างกายหรือดื่มให้อยู่กับพุทโธกัถ้าทำหนวันหนึ่ก็ตายเออไม่ต้องวันนี้ก็ได้ถ้าทําได้วันนี้นั่งวันนี้ก็จิตก็รวมวันนี้เลยออกมาก็พิจารณานิจังทุกคร้านาตาได้เย็นนี้ก็ บ, บรรลุได้ <c oughs> รีลัพมันไม่ทำอย่างนี้มันทําสเปซสปะทํากันแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวบางคนก็มาบอกเห็นเกิดดับเห็นเกิดดับไปคิดว่านั่นเป็นปัญญามันเร็วไปเองเห็นอะไรเกิดดับก็ไม่รู้เห็นนั้นเห็นนั่นเกิดดับเห็นนั่นเกิดเห็นไปทำลายสิ่งที่เราไม่มีความผูกพันด้วย เห็นเกิดด <s> ับเห็นคนนั้นตายคนนั้นตายไปอยู่อะไถ้าเราไม่มีความผูกพันกับเขาใช่ไหมเขาตายเราไม่เดือดร้อนี้เราเวเห็นใช่ไหมเราไม่แฝงไปอยู่มันต้องเห็นคนที่เราเรารักเห็นเวลาเขาตายเลยน่าจะถ้าโดยสรุปไม่สรุปแล้ก็นั่งสมาธิไปห้เรื่อยแค่ปัญญาอยังไม่ต้องพิหารไม่เป็นไรใ่้งานร้อยก่อนจะนั่งสติไปก่อนเจะนั่งสติก่อนก่อนจะนั่ต้องฝึกสติตั้งแต่ตื่นเลยต้องควบคุมความคิดตั้งแต่ตื่นเลย อย่าปล่อยให้ใจลอยไปที่อื่นให้อยู่ในปัจจุบนันเสมอให้อยู่กับร่างกายให้อยู่กับพุโทโธแล้วพอมีเวลาก็นั่งสมาธินั่งยังๆมันจะรวมลงไปรูปลงไปแล้วก็เน้นแล้วก็อ ย, อยู่ได้น า, ยย า, า น, าาน ย, ยังไม่ต้องสนใจยังอยู่อนุบาลอยู่ยังพึ่งไปเข้มามหาลยัย <c> เ <oughs> ีินขั้นอนุบาลไปก่อน ยังยืนไม่ได้อย er, ่าไปเดินอย่าไปวิ่งอะไรอาาแต่ว่าที่ท่านอาจารย์สอนบางทีลูกก็ได้ใช้แบบเป็นเหมือนไม่ถึงกับเป็นปัญญาที่จะพิจารณาได้ลึกสึ้แต่ว่าได้เป็นแบบขั้นต้นนะคะอย่างเช่นว่าเวลาที่เราอยู่ในในกลุ่มคนที่เราไม่ชอบใจคือสมัยก่อนแล้วคงไม่ชอบใจเขาทีนี้มันก็มันก็มีลักษณะอวตารมันหนา ลูกก็ระหว่างที่ตอนแรกที่หงุดหงิดก็หงุดหงิดค้างค้งอยู่แต่พอได้สติก็มานั่งนึกว่า เ, าเทียบกับที่ท่านอาจารย์เคยสอนว่าเออเหมือนเราตกลงไปในบ่หมูเราคงไม่ชอบแต่ว่าที่เรารู้สึกเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าเราติดกับว่าเขาจะมาทำอะไรเราทั้งกายทั้งใจเราก็เลยลังเกียดทั้งตัวทั้งลังเกีย่อก็คิดต่อว่าถ้าเราไม่ติดอยู่ที่ตัวเราเนี่ยไอความรู้สึก กับคนหรือกับงูงเนี่ยมันก็คงไม่มีลูกก็ค่อยๆ ค, คิดไปเอาเทีย่ยวเที่ยแต่ถอนมาเทีย่ยแต่ว่าถ้าวันไหนที่สติมันมันไม่มาเนี่ยไอปัญญาเปลี่ยนเที่ยบแบบนี้มันก็จะไม่เกิดแต่ต้องก็มายก็ช่วยได้แะครับก็เป็นการพัฒนาการไปเรื่อยๆจากนอนขึ้นไปหามากทําไปเรื่อยๆแต่ปัญญาแบบที่น้องพูดัเป็นปัญญาแบบที่เราพิจารณา ก็มันก็มันมีข้อสอบหลายขอ้อแล้ว ก, ก, ก็ทํางทำข้อสอบที่ใกล้ตัวเราก่อนข้อสอบที่เราทําได้ก่อนแล้วเราค่อยก้าวไปสู่ข้อสอบที่ยากกว่านั้นต่อไปข้อสอบที่เราเจออยู่ทุกวันก็เนี่ยปัญหาชีวิตประจําวันเนี่ยถ้าเรามีปัญญาเราก็จะอยู่อย่างไม่ค่อยมีเรื่องเวลาไม่ค่อยมีความวุ่นวายใจเท่าไหร่ ถ้าไม่มีมันก็จะวุ่นไปโรคโทโทสันกับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้ไม่มีวันสิ้นสุงปัญญามันก็ต้องพัฒนาจากจุดที่เรายืนอยู่ไปสู่จุดที่เราต้องการจะไปต่อไปตอนนี้เราต้องพัฒนาจากจุดที่เรายืนอยู่ก่อนก็คือในชีวิตประจวาวันของเรา<ม>เรา่อยวานได้ไหรือเปล่าเราไม่ไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆที่เราต้องเผชิญอยู่ทุกวันได้ไหรือเปล่า อัญญาที่ไปใช้ที่นาในการภาวนาเกิดแก่เจ็บตายมีน้ำมันไปอะไรนี้มันเป็นอีกอีกขั้นหนึ่งก็เป็นข้อสอบที <S <s ่ที่เราต้องเข้าก้าวเข้าไปหาต่อไปหรือมันจะเก้ามาหาเราก็ได้ไม่มีใครรู้ว่าเราจะไปหาเขาหรือเขาจะมาหาเราถ้าเราไม่เตรียมตัว้เวลาเขามาหาเราเราก็จะทําข้อสอบไม่ได้ถ้าเราเตรียมตัวไว้ก่อนถึงแม้เราจะไม่ได้ไป เขาเกิดะฮะเราก่อนเราก็เราก็จะทำข้อสอบได้แต่เราต้องทำข้อสอบไปตามกำลังของเราบานทีข้อสอบที่ง่ายแล้วก็ยากขึ้นไปตามำลำดับถึงบอกข้อสอบที่ง่ายก็คือของนอกกายเช่นราบยศสรรเส ร, ริญรูกเสียงเกี่ยวเนื้อเนี้มันเป็นของง่ายกว่าที่จะมาทำข้อสอบที่ร่างกายที่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่จิตเนีย จิตนี่มันยากที่สุดหลายคนสมัยนี้อยากจะทําข้อสอบที่ยากที่สุดก่อนคืออยากจะเรียนอภิธรรมหนึ่งเพราะว่าอภิธรรมก็คือทำขั้นสูงทำขั้นสูงก็คือทำที่เกี่ยวกับจิตนี่เองจะไปทําข้อสอบขั้นนั้นแต่ตัวเองยังอยู่ระดับอนุบาลจะไปทําข้อสอบ ร, ระดับปัญญาเอกจะไปได้เรื่องะไรเมื่อเช้านี้ก็มีคนมาถามว่าจะไปเรียนอภิธรรมดีไหม เราเอาเป็นเรียนให้มั น, น ศ, ศีสันทำไมเราไมันจะอยู่ในระดับนั้นแต่ถ้าเราอยู่ในระดับนั้นก็ดีถ้าเราปล่อยวางร่างกายได้แลเป็นพผ้านาคามีแนละ้วเทคนี้เอาเลยไม่ต้องไม่ต้องเข้าถืออภิธรรมแล้วละทนันทีแต่ตอนนี้เงินทองทยังหวงเลยยัง เ, เสียอายเงินทองมันจะไปอภิธรรมกันอะไรไปดูจิตเกินดับเกินดับ แต่พอเงินทองเกิดดับขึ้นมาไม่พอจะทำให้การปฏิบัติสับสนจะทำให้ไม่ต้องภาวนาพุทโธไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องถือศีลแปไม่ต้องอะไรนะเพราะดูแต่จิตตัวเดียวดูแล้วทำอะไรกันได้ปะ คนสมัยนี้หลงคิดว่ามีปัญญา ม, มีการศึกษาทางโลงแล้วคิดว่าตัวเองมีปัญญาสามารถศึกษาธรรมะขั้นสูงได้คือพระอภิธรรมแต่ไม่รู้ว่าพระอภิธรรมนี้ก็มีไม่สองพระอนาคาเมีกันอืมมีบางรนบอกวิธีนี้ง่ายกว่าไปดูจิตเนี่ยทางรักเนี่ชื่อต้นนะทางรักเก่าปล่อยจิตได้แต่ปล่อยกายไม่ได้ กายปล่อยไม่ได้ไปปล่อยจริงได้จริงนั้นละเอียดกว่ามันยากกว่าหลายเทา่าเนี่ยคือวิธีของกิเลสที่จะหลองให้เราหลงทางโดยเอาเอาธรรมะขั้นสูงมาห่อกมาหลอกเราไม่ให้เราอยากจะทําก่อไก่เขาไก่เพามัน ง, ง่ายเกินไปมันเรื่องเด็ก เรามั็นระดับปัญญาชนนะเราต้องอัพิธรรมพูดโทยังไม่ได้เลยตั้งสติตยังไม่ได้นั่งสมาธิจิตยังไม่สนุกปัญญาปล่อยวางราบรุชนะสังหรณ์ยังปล่อยไม่ได้ปล่อยวางร่างกายปล่อยความเจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่ได้แล้วจะไปปล่อยจิตได้ยังไง อภิธรรมนี้มันเกี่ยวกับเรื่องจิตเรื่องจิตผู้ที่ทจะเกี่ยวข้องกับเรื่องจิตก็คือพระอนาคามนีขึ้นไปอย่างนี้ถ้าไม่มีปัญหาเรื่ร่างกายนะร่างกายไม่เป็นข้อสอบแนละ้วท่านผ่านข้อสอบของทางร่างกายไปหมดแล้วนะถ้ายังติดข้อสอบที่จิตอยู่ตอนนั้นนะถึงจะต้องเข้าสูอ่อภิธรรมต้องเห็นธรรมอารมณ์ที่เกิดดับเกิดดับ ต้เห็นอรยิยสัจสีที่กําลังทํา ง, งานอยู่ภายในจิตนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องอรยิยสัจสีไม่เกี่ยวกับเรื่องของทางร่างกายเนี่ยไม่เกี่ยวกับทางด้านราภิเษกสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสนะนี่เกี่ยวกับอรยิยสัจที่เกี่ยวกับจิตเกี่ยวกับอารมณ์ที่เกิดดับเกิดดับอยู่ในจิตเรื่องที่สว่างที่ไม่สว่างๆๆๆที่สงบไม่สงบเนี่ยมัอยู่ในนั้น ตอนนั้เนนะี่ยถึงต้องใช้อพิธรรมเรียกเป็นการศึกษาพิธรรม <c oughs> ถ้าไปเรียนอย่างนั้นก็เลยคิดว่าไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องมาเจรจิญจิตไม่ต้องมาถือศีลแปดให้มันเหนื่อยหรือเปล่าถือศีลแปดไม่ต้องมาบวชกันไม่ต้องมาสมโบดวงตามหูจมูกเลี้ยงกายศึกษาพิธรรมแล้วก็ไปเที่ยวได้ใช่ไหมไปทัวร์ต่างประเทศได้ ดูจิได้ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนก็ดูได้ไปฮ่องกงก็ดูได้ไปยุโรปก็ดูได้ไปอยู่วัดทาไมเสียเวลาไปป่ะจิตนี้อยู่ที่ไหนก็ดูได้าจารการปฏิบัติธรรม้อมีรื่การทดสอบอารมณ์อะไรนี้ถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านก็จะทดสอบอารมณเรื่อย เดี๋หน้าท่านท่านก็ทดสอบเราแล้วก็น <c oughs> อนมันอยู่าายกับครูบาอาจารย์เยก็มีอาหารอยู่นี่ไม่ได้อยู่นี่มาเยี่ยมเยือนเฉยเดี๋ยวไม่ได้ขึ้นเวทีกันใ่พูกัลัวมากทลยพี่เขาถึงหลว่จะมีการทดสอบอารมณ์พยายามอยากจหนีนพยาาทดสอบเพเรายังไปไม่ถึงไหนกลัวว่าก็ ความก้าวหน้าอไปหรือไม่นั่นไม่ใช่เป็นการทดสอบอารมทดสอบอารมต้องไม่บอกล่วงหน้าก่อนถึงจะทดสอบกันถ้าบอกกันมันก็ไม่ใช่เป็นการทดสอบนั้งหลักได้ทดสอบลวกกันทันทดสอบไปไหมทดสอบที่หมายถึงว่าดูความก้าวหน้าใช่ไหมฮะว่าเราปฏิบัติก้าวหน้าไปไหนเชื่อหรือไม่เชื่อหรือไมทดสอบก็คือให้ข้อสอบเราไปแก้งไงอปแจย์ให้ข้อสอบเราไปทํำเลย ไปเจอไปเจอครูบาอาจารย์ท่านก็ด่าอย่างเงี้ยให้ข้อสอแล้วอ๋อนีนีหคะอดไมล่ะไม่เข้าใจว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้สอบอารมณ์าได้สอบอารมณ์้ก็ด่าเราก็ด่าเรา่งก็สอบอารมณ์เลยไม่เหมือนเวลาใครเวลาใครก็ด่าเราเี่ก็สอบอารมณ์แล้วว่าอารมณ์เ่งมันรู้เปี่าไ่รตกาัดินใกันคนคิดว่า เวลาสาวจริงๆเขาไม่ถามเรับป็นยังไงจิตนีไม่มันก็โกหกได้ดีไม่ดีใครจะพูดไงก็พูดได้มมันต้องตอมหน้าทักฉาบหนึ่งว่เป็นยังไงอัรมดีมนี่นั่นเนี่เขาขทดสองเป็นแบบนั้นเข้าใจแบบเาคนละเรื่องคิดว่าก็ถามว่า วันนี้นั่งเป็นไงก้าวหน้าไหมอะไรทุกวันอะไรงพวกนักท่องเที่ยวบ่อยๆเรายัไม่ก้าวหน้ามากเราก็รู้ตายเขาเอ๊ะเราอาันแบบนั้นคุณนี่ท่านยันชาท่านถีขึ้นยานะท่านจารยเาเรื่องตอนแรกตอนกท่านอาจารย์เน่านี่อยู่ดวงตี่แหละท่านนะส่นดงตาท่านยืนยิ้มไปท่านยิ้มเียดเท่าก็สออารมณ์นะอพระราดด้ มันมีหลายวิธีคนที่จะทดสอบเนี่ยก็ก็จะรู้ว่าจะต้องใช้ใช้วิธีไหนท่านจะโดนหลตงตรทดสอบรึก็ทุกครั้งที่ที่ไปพบท่านน่ก็ต้องเตรียมตัวทาข้อสอบอาจารย์มาละมามามาทุกข้อสอบข้อแบบไหนเดาข้อสอบไห้ถูก แต่คนที่ปฏิบัติจะรู้ว่าจะดูที่ใจของเราเป็นหลักเท่านั้นท่านจะโยนข้าเสามันก็ดูที่ใจแล้วว่าเล่นหรือไม่เล่นเราต้อเราต้องตวข้าเสาเราด้วยตัวเราเองด้วยใช่มย์าอยานนไม่ค่อยค่อยน่ว้งเพรองพายไ่ปวเงี้ยออกอย่าอย่าอยู่ที่นี่ไม่ให้อยู่เงี้ย ก็จะอยู่อ้าวก็ลองดูตอนนี้ก็พูดได้ตังนี้มันอยู่ในเหตุการจริงพี่รูกร่างสั่งงานยาคาทีแรงไหมโดยทดสอบที่ที่ที่เขาเป็นหลวงนะคะที่เจอไอ้ดำๆอะไรอย่เงี้ยถ้าเป็นแต่ก่อนนี้กลับแหละกลับบ้านแล้วค่ะก็เหมือนในรายการทดสอบทุกนิดหนึ่งใช่เหมือนกัน มันมีหลายแบบหลายรูปแต่ถ้าอา จ, จารย์บอกล่วงหน้าก่อนมันก็ไม่มันก็เหมือนกับไม่เป็นการทดสอบเออกข้อสอบให้ให้รู้ข้อสอบก่อนแล้วก็ออกมันก็ได้ข้อสอบต้องไม่รู้ต้องเป็ดไว้เป็นความลับ <c oughs> ถ้าข้อสอบรู้มันก็หมดความหมายะอืมใช่ข้อสอบก็คือ เขจะหาวิธีกระตุ้นกิเลสของเราให้เกิดขึ้นมาถ้าเป็นน้ํ า, าว่าขย่าขวนน้ําให้ตะกอนมันรอยขึ้นมาดูว่ายังมีตะกอนอยู่รึป่าถ้ามีตะกอนน้ามันก็จะขวนถ้าไม่มีตะกอนขยา่าขวนยังไงมันก็ไม่ขวนนะทดสอบยังไงมันก็ไม่ขวนมี่อาจารคิดว่าท่านอาจารย์เคยก็สอบก็แบบไม่ยากเลยโดนดุบ่อยไม่โดนเลยงานนี้ไม่ใช่เป็นห้องทดสอบ การนี้เป็นการห้องให้ความรู้เราจะทดสอบต้องมาอยู่ด้วยกันเดินทางวันหนึงนะคะมีอยู่วันนึงนะคะอาลุกอาบน้ำแล้วรู้สึกว่าโกรัวนะคะรู้ผนะคะไม่ได้มากตลาดนะจะมีคนคิดขึ้นมาว่าเราก็จะอยู่กันไม่ได ไม่เคยนั่งกายไม่มีอะไรเล้วเสร็จ ต, ตัวเราเองนะเรก็ตายแต่เรามีอันตราย อ, อยู่นหนังสัตว์อยู่พอขึ้นมาเนี่ยก็จากี่เคยต้องมาแล้วเป็นหนังสัวันคือกระดูกนะคะไม่เคยมีหมอเกเบล็ดแต่ในขณะที่คี่ตอนนั้นอะ่ะยีราบนั่อยู่มันเป็นกระดูกแน่นหนึงนะคะแล้วก็ไม่เคยกลัวผีเลยหลัจากนั้นยังดีเรียกว่ามีปัญญาเห็นความจรงิง แต่บางทีท่างเรียก็ไม่เกิดเลยน ะ, ะมันไม่กลัวแล้วมันก็ไม่กลัวแล้วมันก็ไม่ต้องเกิดเลยแล้วก็มีหลังจากที่ข<ม>ึ้นั่งจักรยที่หยุดชากพักนึง น, น, นะคะหลังจากนั้นที่ลงจ า, า, ากลถถาระดักลางก็ไม่เป็นไรมากแล้วก็ไม่ได้เป็อันรานะคะเหมือนว่ามดลูก น, นะคะ ย, ยังพยายามเรื่องต้นหน่อยังไม่ได้เลยยังไงกนะ็ไม่ได้ยิน คือเมื่อก่อนจะภาวนาทุกวันนะค ะ, ะทํางานเสร็จแล้วนางก็รีบกลับบ้านเพื่อที่บอกแต่ตั้แต่ด ว, วงตาและสังขารเหมือนว่าจะไปบ่อยมาก น, น, นะค ะ, ะก็ดูเตื่นภาวนาไปอตอนนี้ยังไ ม, ไม่สามารถกลับมาตั้งตัวได้ยก็พยายามกลับมาเริ่มใหม่แต่การใช้ปัญญาเหมือนตรงที่หลับนั้ำในถูกต้องใช่ไหมคะใช่เพราะเรามีปัญญาอยู่การนั้นก็ใช้ได้ถ้าไ ม, ไม่ถ้าไม่หายกลัวก็แสดงว่ายังไม่มีปัญญา เรามีปัญหามันทำให้หายกลัวได้ก็แสดงว่าเรามีปัญญาที่เห็นกระดูกนี่คือคือเห็นที่เป็นยาใช่ไหมคะเพราะนั่นแหล ะ, ะเห็นเห็นเห็นอะไรที่มันทำให้เราดับความกลัวได้ก็ถือว่าเป็นปัญญาแล้วเวลาที่นั่งสมาธิแเรานั่งนั่งไปแล้วพี่นาก็หายใจนะคะรู้วพุโทโธไปด้วยนะคะแต่อยู่พุโทโธก็ไม่มีกระดูกไม่เห็น แต่ก็แต่รู้ตัวเองนั่งอยู่ก็ใชได้ก็จิตสงบเลยจิตมันว่างแต่บินไม่นานนะคะพยายามทาให้มันเป็นยังคือเวลาที่เป็นมีคองมันจะนั่งอย่างนี้ได้ทั้งคืนไม่มีกองศึดไม่มีกเมื่อยถูกใช่ไหมคะเดาถูกลใช่ไหมคะให้มันมีความสงบก็ใช้อกาทางค่ะอ่า เมื่อเช้านั่งสมาธิไม่ได้แต่พอมาปังเทนเทแล้วนั่งเนี่ยระยะหลังเนี่ยคือโนจะปฏิบัติไม่สม่ำเสมอเสร็จแล้วได้ไ ป, ไปปฏิบัติที่หนึ่งแล้วเกิดเหมือนคือเกิดสมาธิค่ะแต่โนก็ไม่ทราบระดับไหนแต่ว่ามันเป็นอาการทางร่างกายด้วยคือเราจะนั่งแล้วมันจะค้อมลงคล้อมไปจนถึงเราก็ดูว่าเอ๊ะมันค้อมไม่ถึงได้เท่าไหร่ก็ถึงจนเขาสุดได้หัวเกือบถึงพื้นแต่มันเป็นอาการ<ม>ช้า แล้วก็ค่อยกลับมากลับมาก็งายไปข้างหลังจนเข่ามันลอยค่ะงาอไปันสุดก็กลับมาอีกอก็เป็นอย่างนี้มาสองสามครั้งพระ อ, า, อ, อาจารย์นั้นแค้นก็บอกว่าให้เจริญสติแต่พึ่งนั่งสมาธิแล้วพ่าครั้งแรกที่เกิดเนี่ยเราไปถอนออกมาเร็วอะคืออยากนั่งต่อแต่รู้สึกว่ามันไม่เคยเกิดแล้วเรากังวลใจอะ่ะเราก็เลยถอนออกมาเราก็เลยมีอาการซึ้งๆคือไม่อยากกลัวใคร ก็เดินก็ช้าๆพีริยาก็นุ่มนวลนช้าไปหนดตึงสักพักนึ่งนะคะแล้วก็หายเสร็แล้ววันนี้มาเนี่ยก็เป็นอีกอไม่ได้นั่งสมาธิมารยาทหนึ่งแต่ระหว่างวันพัลพยายามจะเจริญสติแต่ก็ไม่ได้เดินไม่ได้เดินจเจริญสติเหมือนเดินจงกรมเจริญสติกับนั้นค่ะเพราะระหว่างที่ฟังท่านเทพไปสักสินาทีมันก็เป็นมันก็ไปก้มลงแล้วก็หงายไปข้างหลังแล้วก็ก้มมาข้างหน้าใหมา่มีจังหวะหนึ่งที่เราช่วงที่เข้าหงายแล้วเรารู้สึกว่า มันปึงเราไปสนใจทางกายมากค่ะปึงขาแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากอยากให้มันเหมือนเดิมให้กลับตรงก็ฝืนได้นิดนึงกายกลับมาตรงแต่ช่วงที่ฝืนให้กายกลับมาตรงรู้สึกลมหายใจมันอยากหายใจเข้าออกแรงขึ้นแต่ว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ความคิดมันจะไม่ฟงสร้างอยู่กับเสียงเพลงของพระจามแล้วก็เสียงที่เกิดขึ้น เราก็ได้ยินแต่เราไม่สนใจเราจะไม่ไม่ตรุงมากอ่ะยังยังอยู่ในกังเขยฟ้าจางยังไม่คิดออกนอกเรื่องมากคิดกไปรัฐหนึ่งก็เดึงกลับมาได้<ม>ก็เลยอยากจะทราบว่าอาการเนี้ยเป็นเพราะอะไรเจ้าคะหรือเป็นเพราะว่าก่อนนั่งแล้วเรามีจิตกังวลว่าเอ๊ะมันจะเป็นแบบครั้งก่อนอีกไหมมันจะล้มหน้าล้มหลังอีกหรือเปล่า<ม>กายก็เลยพอเริ่มสงบนิดนึงก็เลยเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วถ้าเราไปฝืนฝืนตัวเนี้ยมันจะรู้สึกว่ามันไม่ถอนแต่ว่า มันอยากขึ้นนะคะแต่ว่าพอพอเรามีสติพยายามดึงกลับมาให้อยู่ที่ให้สนใจกายเหมือนเดิมหรืออยู่กับลมเหมือนเดิมก็จะก็จะง่ายขึ้นไม่ฟุ้งซ่าน ม, มากแล้วค่ะคืออยากจะถามอาจารย์ว่าเ อ, อสภาวะที่เกิดที่ น, นี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรคะแล้วก็เราต้องแก้ไขมไหมมันก็เป็นผลที่ ท, ที่สติเราไม่มีกํำลังมากพอถ้ามีสตินล้วมันลอย สามารถควบคุมให้ร่างกายนั่งนิ่งๆเฉยๆได้มล้วก็ควาเทพควงมธรรมนึกภาวนาก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีสตินี่จิตมันก็จะไปไปทําให้เกิดอา ก, การต่างๆเหล่านีน้เกิดขึ้นได้ ค, คือมันว่าไปขณะที่เราพาวนาไปมันก็บบนว่าไปเรื่องมันไม่ควบคุมควบคุมร่างกายถ้ามีสติมันก็จะควบคุมร่างกายได้ หมือนคนเมาเนี่ยจะควบคุมร่างกายไม่ได้ะดะะจะสเปะสับก็สติออกก็มาเวลาเรานั่งสมาธิไปแล้วนี่บางทีใจมันมเพิ่มสติมันก็เพิ่มมันก็อ่อนไปมันก็เลยทําให้ร่างกายอยู่ในในท่าที่เราไม่ได้ไ ด, ไ, ดได้กําหนดไว้มันก็จะเคลื่อนไปเราเกี่ยวไปสนใจมันถ้าเรานั่งแล้วเราร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ถ้าเรารู้ก็พยายามปรับมันให้กลับขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่รู้แล้วเราไม่ ไม่ไปสนใจมันก็ช่างมันขอให้เราดูที่ใจเราควบคุมใจเราให้มันนิ่งให้มันสงบก็แล้วกันบางครั้งบางครั้งก็จะบอกว่าถ้ามันล้มก็ปล่อยให้มันล้มไปเราก็เลยเอะอย่างนั้นก็ดูว่ามันจะต้มไปได้ไกลที่ผมจะให้ปล่อยให้มันไปเพราะว่าบางทีใจเราเราเราเองเลยว่ามันจะล้มบางทีไม่ล้มนั่นก็ปล่อยมันล้มไปถ้าเราคิดว่ามันจะล้มก็ปล่อยมันล้มไปแต่ถ้าเรารู้ว่ามันจะล้มจริงๆแเราก็เราก็กลับมาตั้งตัวหมาแล้ว คือเวลาภาวนานี้จะไม่ให้ไปยุ่งกับร่างกายเลยไม่ให้ไปรับรู้เรื่องของร่างกายเลยให้อยู่กับงานภาวนาอย่างเดียวถ้าใจเราเริ่มคิดว่าร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แสดงว่าเราไม่ได้ภาวนาแนละ้วถึงไม่อยากให้ไปคิดถึงเรื่องร่างกายให้อยู่กับงานภาวนาเพียงอย่างเดียว มันจะคิดมันจะคิดมันจะดูว่าล้มตอนนี้ยมันหงายได้เท่าไหร่แล้วมันก้มไปเท่าไหร่แลถ้ายังไม่มากเราก็จะกลับมาที่เสียงเท่เพราะถ้ามากถึงระดับนึงเริ่มเจ็บขาเริ่มหายใจไม่ออกเริ่มทีมันจะกังวลที่กายเรารู้สึกว่าเรากังวลที่กายแล้วเราไม่อยากกังวลที่กายเราต้องเราต้องอยู่กับงานที่เราให้มันทําอยู่ถ้าฟังทำก็อยู่ที่การฟังทำอย่างเดียวแล้วก็ไปกรเริ่สติให้มากขึ้นออแล้วก็พอออกมาแล้วเนี่ย ก่อนที่จะออกอย่างวันนี้เวลามาฟังเทศเนี่ยคือไม่ได้เหมือนอยู่ที่บ้านที่เราจะนานเท่าไหร่ก็ได้แต่นี้คือมีจังหวะที่ถว า, ายของที่อะไ ร, รเดี๋ยวเราจะต้องเอาของที่รถทีนี้พอจะออกเนี่ยมันจะต้องค่อยๆทําใจหรือเปล่าเจ้าคะว่าคือพยายามดิ้นให้มีสติมากขึ้นทําใจแล้วว่าเรากำลังจะออกจากสมาธินะเราจะนี้นะเป็นอไหนงานเช่นนี้เจ้าคะก็มีสติว่าตอนเราเริ่มจะหยุดจากการภาวนาแล้วจะไปทําอะไรต่อ ก็ทำไปด้วยสติต่อไปถ้าเกินยังไม่พร้อมที่จะทาก็นั่งรอให้มันพร้อมก่อนเพราะเคยเคยมันไม่พร้อมแล้วเราไปถอนออกมาปุ๊บแล้วมันมันมีอาการทางร่างกายอย่างอื่นจ้าค่ะเหมือนเห็นคนนะ แค่นีいい้แล้วนะกครต้องการ